วันนี้เป็นวันที่หนึ่งขึ้นวันที่หนึ่งนะลูกหลานนะวันที่หนึ่งพฤศจิกายน์พุทธศักราช2558เนี่ยลูกหลานได้ยินเม็เสียงชนีร้องร้องเยาวพอสมควรนะอ่ะเออมันฝนจะหยุดหรือฝนจะมาแล้วมันจะหนาวว่ะเออฮมันบอก สัญญาณน่มันจะหนาวแล้วมันจะฝนตกเมื่อคืนเนี่ฝนตกนิดหน่อยนะฝนตกนิดหน่อยเมื่อคืนนี่ก็ยังดีอยากจะให้มันตกสักรอบสองรอบอยู่หลวงพ่อได้ลงกรุงเทพตั้งแต่วันที่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าตุลาและก็วันที่ลงไปในงานในวดอภิธรรม เด็หลวงพ่อได้พูดใน m อ3สให้ลูกหลานได้ฟังแล้วล่ะแล้วก็วันที่ส0สฉันจังหันที่สวนแสงธรรมเสร็จแล้วก็หลวงพ่อกลับขึ้นมามาพักค้างที่วัดรวมธรรมท่านรัตนะที่ท่านที่ท่านทาบุญอุทิททศสวนกุศลให้หลวงพ่อของท่านขอบรอบวันมรณะภาพ ที่วัดรวมธรรมแล้วก็พอจันจังหารเสร็จหลวงพ่อก็นั่งรถกลับมาก็มาถึงวัดกบเามื่อวานเกือบบ่ายโมงนะลูกหลานแล้วก็เป็นวันเสราร์้ยเมื่อวานนี้ยวันนี้เป็นวันอาทิตย์พอกลับมาหลวงพ่อก็นั่งอยู่ศาลาลงน้ำร้อนที่ฉันน้ำมีแขกมาหลายหมู่อูไม่ไหว พ่อมาจะมารับแขกเลยไม่ไหวขึ้นเวทีเลยหลวงพ่อ็เไยไปหาที่พักพักพรอมาชักไม่ถึงสองชั่วโมงมั้งกลับลงเมาโรง น, น, น้ำที่จันน้ำที่รับแขกแขกเต็มไปหมดเพราะเป็นวันเสาร์นะก็เลยนั่งรับแขกคู่คนสนทนากัน แต่เมื่อวานพบกับหลวงพ่อสดวัดป่าบ้านเพิ่มทางของนหมนหลวงพ่อไปรับกรถินวันนี้แหะวันอาทิตย์บัดป่าบ้านเพิ่มทอดกรถินหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ถามมีอะไรตอนเย็นไหมไม่มีพิแต่สวดมนต์เย็นพี่น้องประชาชนที่มาทอดกรถินคงจะไม่ใช่กลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มย่อยกลุ่มเล็กพวกคุณลักษณะที่ แอร์การบินไทยแล้วก็พรุ่งนี้เช้าคงจะทอดกระถิน่นวันนี้แหละทอดกะถินหลวงพ่อเออเอารับไว้พิจารณานะพอมาถึงตอนเย็นโอ้ไม่ไหวแนละ้วเหนื่อย่เพลียๆยังไงเขาใหมา่บเลยบอกให้พระไปแทนอย่างนี้พระในวัดท่านให้ท่านรุนกับพระอีกองหนึ่ง ไปแทนหลวงพ่อไปบันเพิ่มหลวงพ่อขอพักก่อนนะลูกหลานเนะี่ยอย่าไปตลอนตลอดไม่ได้นะหลวงพ่ออายุเจ็ดสิบกว่าทนะ่านไม่ใช่พันน้อยพันหนุ่มนะลูกหลานนะเอออย่าไปเหมือนไปตลอนเหมือนกับพันน้อยพันหนุ่มไม่ได้นะธาตุขันขนาดนี้แล้วไม่ล้ไมไปล้มมันจะพับพับลงตรงไหนวะอย่างไรมันยังเออเอาแน่กับมันไม่ได้นะร่างกายสังขาร น, นะนี่นะ หลวงพ่อก็เลยไม่ไปวันนี้นะแต่ทีอยังไงก็ตามหลวงพ่ อ, อยังเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเกี่ยวกับที่จอดรถวันที่แปดของพวกเราเนี่ยเราขอให้ช่วยๆกันดูนะทั้งพระทั้งเนนทั้งทั้งพระลูกหลานทั้งหลายช่วยๆกันคิดจุดไหนที่จะทํำยังไงคิดดูเรื่องน้ํา เรื่องน้ําเรื่องไฟเรื่องโรงทานโรงทานเขาคงจะเข้ามานะแหละตันี้เขาคงจะเป็นวันที่หนึ่งนะเริ่มเข้ามานะโรงทานแล้วก็เรื่องน้ําเลี้ยงคนจะเพียงพอไหมล้ำน้ําขวดนะแล้วก็เนีละให้ ด, ดูตลอดถึงห้องน้ําห้องส้วมทุกอย่างนะนะั่นแหะพอเราเป็นเจ้าของบ้านเราจะต้องช่วยกันคิด คือว่าตามอัตภาพให้ดีที่สุดไม่ใช่ว่างอมืองอเท้าจุดวิสัยไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ต้องทำให้ดีอันไหนจะแก้ไขอะไรได้เราก็ทำให้ดีเพื่อให้งานสำเร็จร่วงไปร่วงไ ป, ป, งไปอันไหนควรจะทำยังไงอย่าให้ช้า ทำมันช้าแล้วไม่ได้มันจะทะเลาะกันมาลุมมาตุ่มทีหลังอันไดนก็ประเด็งประดังเข้ามารับไม่ทันผลให้จูดกันทะเลาะกันได้ง่ายอันไหนมาก่อนรีบจัดการเก็บไว้มันไม่เสียหายรีบจัดการรีบทำรีบทำรีบทำแล้วก็ให้มันเสร็จสิ้นเป็นอันไปนี่แหละการงานอนาคูลา อนาคูลาจกรรมมันตาเอตมังเป็นการงานที่ค้างคมม้างก็ไม่ดีงานอนไหนที่มาก่อนทำให้เสร็จก่อนทำอันไหนมากทำให้เสร็จไปเรื่อยๆอย่าให้งานงานค้างค้างทางงานค้างค้างมันมีปัญหาตามมาเราพูดในส่วก่อ น, นี่ยแะงานเออขึ้นไปเรื่อยๆตัวเองทำไม่ทัน ผลที่สุดก็เนะี่ยเสียการเสียงานทะเลาะเบาแวงกันทั้งที่จะเป็นรายได้ของตัวเองกับเสียหายอีกต่างหากเป็นที่ตำหนิของคนอีกต่างหากเพราะอะไรเพราะตัวเองทำงานไม่จัดงานให้ดีทางานคั่งค้างเพราะนั้นให้พวกเราทุกของทุกท่านนะดูดชูช่วยกันดูแต่ทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่ให้ สอนให้แต่ทำการทำงานอย่างเดียวไม่ใช่ในเมื่องานมาพาดมาเกยเราต้องทำแต่เมื่ อ, เ, อ, อเมื่อไม่มีการมีงาน เ, เราต้อง น, นอเตรียมพร้อมภาวนาของเราอย่างที่ทหารเขานะยามศึกเรารบยามสงบเราเตรียม ทหารเขาพูดอย่างนั้นนะยามศึกเรารบยามสงบเราเตรียมยามศึกมีการในงานมาแล้วก็เลี้ยงเคียงบ่าเคียงไหลกันช่วยการงานแต่เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปภาวนาสู้ทางกิเลส ท, ทางไปภายในใจของเราพยายามดูจิต ด, ดูใจของเราดูพิจารณาตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธทเจา้า พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนาให้ ส, สอนอยังไงอย่าลืมตัวเองอย่าลืมว่าตัวเองจะไม่ตายดูจึงจะมีการงานอย่างอื่นกับ ง, งานอย่างอื่นก็ทำไปแต่ส่วนในจิตใจของเรานั้นให้เราล้ำลึกไว้อยู่เสมอชีวิตของเราจะอยู่นานไปสักเท่าไรมรนะนังเมผะวิสติ ให้ระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมออันนี้แลเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและเราพยายามทำคุณงามความดีไปด้วยสั่งสมบุญกุศลไปด้วยแต่หน้าที่การงานภายนอกเราก็ทำอย่าให้ขาดตกบกพร่องทำให้เต็มที่แต่ไม่ใช่ทาแต่หน้าที่การงานภายนอกให้เต็มที่เท่านั้นแต่ทางด้านจิตใจเรื่องภาวนาเรื่องสร้างบุญสร้างกุศล ไม่ได้สนใจอันนั้นแปลว่าขาดตกปกพ้่องขาดตกปกพ้องที่จุดสำคัญอีกต่างหาก เ, เหมือนจะเราไปโสสว่างหาทําเงินทาการทำงานแต่พอได้เงินมาแล้วเงินทิ้งอีดีชุยแชร์ไม่ได้เก็บ เ, เป็นที่เป็นทางอันนั้นแปลว่าเรามีแต่โสสว่งหาแต่ภายนอก แต่ภายในของเราไม่ได้สนใจไม่ได้ดูรายจัดการเพราะนั้นเราต้องดูทั้งการเป็นอยู่ทางภายในของเราด้วยดูทั้งกระเป๋าของเราด้วยเป็นยังไงกระเป๋าของเราเงินของเราเข้าในกระเป๋าไหมเป็นที่อุ่นใจหรื อ, อยังเงินในกระเป๋าของเราเราต้องดูจุดนี้อีกไม่ใช่ว่าทำงานทั้งวีดทั้งวันเ้วก็ไม่ได้ดู กระเป๋าตนเองอันนั้นไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นเราต้องทําการทําการคือทํามาหาเลี้ยงชีพแต่เงินเข้ากระเป๋าเนอคือเอาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจบุญกุศลที่เราสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราเพียงพอหรือยังสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราทําทั้งสองอย่างไปด้วยกันถ้าเราทําได้อย่างนี้แปลว่าเป็นผู้ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้เป็นผู้สั่งสมบุญกุศลไว้ในจิตใจคิดขึ้นมาเมื่อไร่ใจของเราก็เอิบอิ่มอิ่มเอิบในคุณงามความดีไม่หิวโหวยไม่ว้าเห ว, ว้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าเพราะอะไรเพราะใจของเรามีธรรมอยู่ในใจใจเรายึดธรรมเรายึดคืนคุณงามความดี เรายึดเหตุผลในจิตใจของพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะถึงจะทำการทางานภายนอกหลวงพ่อก็บอกให้ทำแต่ว่าไม่ใชให้ทำแบบขมุกขมอมแบบไม่ได้มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมีแต่ ก, การงานไม่ใช่หลวงพ่ออยากจะให้นั่งภาวนาเมื่อเราอยู่ตามลำพังก็นั่งภาวนากำหนดดูจิตดูใจของเรา ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวของเราอยู่ตลอดในขณะที่ไม่ทำงานกันนะเข้ามาหาจุดนี้ในเมื่อเราจะให้ช่วยกันทางานทำงานเราก็ทำแต่เมื่อจุดการงานแล้วกันนะเข้ามาหาภาวนาและเลือกถึงมรณงเมฆ่าจะต้องถึงจุดจบสักวันหนึ่งอีกข้างหน้าเชื่อไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เพราะอะไรไมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นเอาความจริงมาพูดกันเอาความจริงมาพิจารณาเอาความจริงมากําหนดเอาความจริงมาพูดเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะจัตไทยญาติโยมลูกหลานทุกคนทางนอกก็อย่าให้ขาดตกปกพ้องข้างในก็พยายามเตรียมสมบัติเข้าสู่จิตใจอย่าได้ประมาทต่อไปรับผ่อนนัตตินะ